วิธีศึกษาเรื่องโอปปาติกะความฝัน3มอย่างวิธีการศึกษาเรื่องโอปปาติกะที่จะให้เข้าใจก็คือก่อนอื่นเราต้องพยายามศึกษาเรื่องความฝันประเภทต่างๆให้เข้าใจเซะก่อนเพราะจากตัวอย่างในความฝันนี่แหละที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องโอปปาติกะได้ง่าย โดยปกติความฝันต่างๆนั้นพอจะแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้คือ 1. ความฝันที่เกิดจากความนึกคิดในลักษณะที่ฟุ้งซ่านหรือค่อนข้างจะฟุ้งซ่านซึ่งความฝันในลนนักษณะนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเปะปะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเติ่นขึ้นมาแล้วก็จำไม่ค่อยได้ความฝันประเภทนี้ถือเอาเป็นหลักไม่ได้2 ความฝันที่เกิดจากจิตสงบซึ่งในขณะที่นอนนั้นนอนหลับได้สนิทมากและในขณะที่หลับนั้นจิตใจก็สงบด้วยเพราะไม่มีเรื่องที่จะกอ่อกวนความสงบในใจความฝันที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวภาพในความฝันชัดเจนตื่นขึ้นมาแล้วส่วนมากก็ยังจำได้และบางคนก็อาจจะจำไปได้นานๆตั้งหลายเดือน แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้นสามความฝันที่เป็นจริงซึ่งเกิดจากนอนหลับได้สนิทมากและจิตก็สงบมากเป็นพิเศษด้วยจนกระทั่งเกิดมีกายทิพย์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในความฝันแบบนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้ว เช่นฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วมาติดต่อหรือมาส่งข่าวบอกให้ทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็ฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆในโลกมนุษย์ซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นความจริงและบางทีก็ฝันเห็นสถานที่หรือบุคคลซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าได้พบเห็นบุคคลหรือสถานที่ตรงกับที่ฝันเห็นทุกประการและในบางกรณีสิ่งที่ปรากฏในความฝันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์หรือเป็นบุคคล แต่หากเป็นภาพนิมิตบางอย่างซึ่งจะต้องแปลความหมายและถ้าแปลได้ถูกต้องก็จะรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าและต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นความจริงอย่างนี้ก็มีความฝันทั้งสมอย่างดังที่กล่าวมานี้สำหรับข้อที่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีสาระส่วนข้อที่สองพอมีสาระบ้าง โดยเฉพาะก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝันถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยสันดานหรือความรู้สึกต่างๆที่ซ่อนอยู่ความฝันประเภทนี้มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์จิตตามหลักจิตแพทย์เมื่อจิตแพทย์จะทําการวิเคราะห์จิตบางทีก็ใช้วิธีสะกดจิตบางทีก็ใช้ยาที่ทําให้หมดความรู้สึกแต่ก็ไม่ถึงกับหมดความรู้สึกไปจริงๆเพราะถามอะไร คนไข้ได้ยินและตอบคำถามได้แต่ก็ควบคุมตัวเองไม่ได้หรือปิดบังความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เหมือนกับในขณะที่เรานอนหลับและฝันซึ่งในตอนนี้เราบังคับควบคุมความรู้สึกเมื่อคิดไม่ได้และบังคับไม่ได้ว่าจะให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้คนไข้ที่ถูกฉีดยาก็เหมือนกันจะตกอยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อถูกถามเรื่องอะไร เขาก็จะตอบออกมาจากความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยวิธีนี้จิตแพทย์ก็จะสามารถทราบถึงความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนอยู่ซึ่งโดยธรรมดาตัวคนไข้เองก็อาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างนั้นซ่อนอยู่การที่เราจะแก้ความประพฤติของคนก็ดีหรือจะแก้ความผิดปกติในทางจิตใจก็ดีจิตแพทย์จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง เพราะฉะนั้นการวิคราะหจิตโดยวิธีสะกดจิตหรือการใช้ยาจึงจำเป็นจะต้องมีในเมื่อไม่สามารถจะให้คนไข้บอกถึงความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในใจเหตุการ์ต่างๆในความฝันก็คือปรากฏการที่บอกให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นความฝันประเภทนี้จึงนับว่ามีประโยชน์อยู่มากแต่นั่นหมายความว่า เราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและต้องมีหลักวิชาอยู่บ้างไม่เช่นนั้นก็อ่านความฝันไม่ออกว่ามันเป็นการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดอะไรที่ซ่อนอยู่